จะขอเจริญพรกับพระภิสุสง์รวมทั้งสมมาเนรรวมทั้งแม่ชีอุบาสกบาสิกาที่มีใจที่ใฝ่บุญและกุศล การบวช น, น, นับว่ามีคุณค่าอย่างมหาศาลจะไปซื้อไปหาก็ไม่ได้จะไปค้นไปหาก็ไม่ได้เช่นเดียวกันเราจะต้องแลกด้วยการกระทำจากตัวของเราเองเพราะฉะนั้นเป็นการลงทุนที่มีค่ามาก อย่างมหาศาลคนเรานั้นเกิดมาหลายร้อยชาติหลายหมื่นหลายโกรธแสนกับอาจไม่มีโอกาสเหมือนกับพวกเราทั้งหลายกว่าเรานั้นจะมาเป็นพระคุณเจ้า มาเป็นสาวกของพระพุทธเจ้ากว่าเราจะเกิดมาครบอาการสาสสองเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งสติและปัญญาไม่ขัดต่อข้อห้ามของพระพุทธเจ้านับประท่านทั้งหลายเป็นบุคคลที่มีโอกาสดี ที่ได้เกิดอยู่ในพระพุทธศาสนาคือประเทศไทยนักปฏิบัติทั้งหลายการปฏิบัตินั้นขึ้นอยู่กับการตั้งใจไม่ว่าเราจะทำการงานสิ่งใดแล้วถ้าเราขาดความตั้งใจแล้ว ไม่ว่าจะผลงานหรือจะทำการงานสิ่งใดก็คาดว่างานย่อมออกมาไม่ประสบความสำเร็จถ้าเราขาดความตั้งใจนักปฏิบัติทั้งหลายก็เช่นเดียวกันถ้าเรามีความตั้งใจมุ่งมั่นลงทุนด้วยกำลังจิต กับกำลังกายกายกับจิตนั้นนักปฏิบัติต้องย่อมเข้าใจว่ากายวิญญาณคืออะไรจิตวิญญาณคืออะไรถ้าเราไม่มีพื้นฐานเหมือนการสร้างบ้านสร้างอาคารต่างๆสร้างเครือข่ายให้กับชีวิต ถ้าเราไม่มีการวางแผนหรือมีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจเราก็ไม่สามารถที่จะเข้มแข็งทำงานนั้นๆให้ลุล่วงไปได้เหมือนการทำสมาธิก็เช่นเดียวกันเราต้องมีพื้นฐานก็คือสติ สติก็คือความรู้ตัวว่าในขณะนี้เนี่ยเรากำลังบำเพ็ญเพียรอยู่ก่อนที่เราจะบำเพ็ญเพียรเราก็พยายามเป่งวาจาบทสวดมนต์ต่างๆของพระพุทธเจ้าร้วนแต่เป็นบทที่เป็นมงคล คือกล่าวสารรเสริญแห่งกุญงามความดีเมื่อเราหมดในการเป่งวาจาแล้วทำวัดสดมนแล้ว <c oughs> เราก็สู่มุ่งสู่ <c oughs> การเจริญบําเพ็ญเพียรคําว่าเจริญก็หมายถึงว่าไม่ใช่ว่าเจริญหูเจริญตาเราต้องเจริญด้วยจิต ก็คือสตินั่นเองจิตก็คือจิตวิญญาณกับกายวิญญาณในขณะนี้กายวิญญาณก็คือประกอบไปด้วยธาตุทั้ง5ก็คือดินน้ำลมไฟธาตุดินก็เปรียบเสมือนก็คือกระดูกค่อยๆนึกถึงกระดูกไป อย่าไปสนใจเสียงใดๆทั้งสิ้นนึกถึงกระดูกถึงตัวเรานั่งเป็นโคงเป็นกระโหลกตาโบ๋เลยเป็นรูปกระดูกนั่งอยู่เลยเรียกว่าธาตุดินดินเนี่ยก็มีทั้งกรวดทรายดินก็มีหลายชนิดแล้วก็ต่างสี ต่างสถานที่เพราะฉะนั้นดินก็คือาธาตุกระดูกคนเราเกิดมานั้นร้วนเป็นาธาตุแห่งกิเลสนานานับประการก็คือความโกรธความโกรธความหลงาธาตุดินนั้นย่อมแปรสภาพเป็นสีต่างๆตามสภาพบุญนำํำแต่ง เมื่อกระดูกคนเหล่านั้นมีสีที่แตกต่างกันไปบางคนก็มีสีขาวเหมือนปุยนุ่นเหมือนปุยเมฆบางคนก็เป็นสีออกเขียวคำ้ำแต่ไม่ใช่เขียวปีกก็คือจะดำก็ไม่ดำจะเหลืองก็ไม่เหลืองจะขาวก็ไม่ใช่จะเขียวก็ไม่เชิง ตามสภาพแ่งบุญนำกาแต่งมันก็ส่งผลมาถึงวันนะวันนะก็คือผิวพันธุ์นั่นเองตอนนี้ให้เราพิจารณาธาตุดินเมื่อเรามีสติและพิจารณาตามคำที่ลุงพ่อบอกก็มองเห็นตัวเองว่าโอ้เนาะสภาพธาตุของธาตุดินเราเนี่ยเวลาตายแล้วเนี่ย มันเป็นธาตุที่หนักที่สุดมันเป็นธาตุที่พิสูจน์ให้เห็นว่าในขณะที่เราตายแล้วเนี่ยไม่ได้เหลืออะไรเลยในชีวิตเหลือแต่กระดูกที่ถูกไฟคอกไฟเผาเหลือจากเศษขี้เถ้ามาเป็นกองกระดูกที่ก็เอาใส่ห่อผ้าขาวถ้าเป็นพระอรหันต์ก็เป็น เป็นพระธาตุมีแสงมีสีเป็นเพชรนินจินดาเป็นถั่วเป็นงาเป็นแปรสภาพของสพันช์ฉลังสีต่างๆนานาไม่เป็นอัติก็หมายถึงว่าไม่เป็นกระดูกกลายเป็นพระธาตุเพราะฉะนั้นสิ่งที่ลึกที่สุดก็คือธาตุดิ น, พ ร, น, นพระะพรที่มาประพฤติปฏิบัติ หรือญาติโยมที่มาปฏิบัติเราไม่ได้พิจารณาถึงแก่นลึกแก่นแท้เข้าไปในในาธาตุต่างๆเราไม่เคยนึกถึงาธาตุดินน้ำลมไฟเราจึงเป็นาธาตุของแผ่นดินเรากากกรรมกับดินกับทรายกับ ก, กวดกับหินกับปูนกากกรรมกับวัตถุ ที่มันไม่ใช่ของเราแต่เราก็ไปยึดมัน่นถือมั่นในธาตุที่เป็นดินที่มันรึกมากที่สุดที่มันไม่สามารถมองเห็นอย่างที่ลุงพ่อบอกว่าซับภายในกับซับภายนอกลุงพ่อกำลังกล่าวถึงภายในก็คือธาตุดินก็คือกระดูกคนที่เกิดมาแต่ละอําเภอ แต่ละจังหวัดแต่ละหมู่บ้านยอมมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไปยอมมีพื้นเพที่แตกต่างกันไปยอมมีอากาศที่แตกต่างกันยอมมีพื้นดินที่มีสีที่มีแตกต่างกันไปตามสภาพบุญนำกา ร, รแต่งของบุคคลที่เกิดตามสภาพของาธาตุดินนั้นๆ ก็คือบุญนำกาแต่งที่เราจะไปจุดติตามสภาพของกลิ่นและสีก็คือในลักษณะของกลิ่นตัวมนุษย์และสัตว์นั้นมีกลิ่นตัวที่แตกต่างกันไปเหมือนกลิ่นดินที่ท่านเคยได้เดินไปต่างๆนาน า, นาว่าวันไหน กินตัวของเรานั้นมีสภาพจิตที่เป็นมนุษย์สมบัติความเป็นมนุษย์ก็รู้ผิดรู้ถูกรู้ชั่วรู้ดีสภาพกิ่นตัวมนุษย์นั้นก็จะรู้สึกเฉยรู้สึกไม่มีกลิ่นเน่าไม่มีกลิ่นเต่าไม่มีกลิ่นสาบสัตว์ใดๆทั้งสิ้นเพราะเราเป็นมนุษย์เนี่ย ยอมชำระร้างสิ่งสกรปรกโสโ ค, โครกในสิ่งที่มันเป็นปฏิกูลที่น่าเกลียดน่าชังได้แต่ถ้าเกิดคนเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยมีกลิ่นสาบเหม็นเยี่ยงสัตว์บางคนก็มีปากเหม็นเหมือนกับเป็นสิ่งที่เน่าเหม็นมีเนื้อเหม็นๆอยู่ในปากบางคนก็มีขี้หูขี้ตา ตาบางคนก็มีตาบอดตาต้อตาเสียต่างๆนานาบางคนก็หูหนวกหูเป็นน้ำน้ำเลือดหูเป็นน้ำหนองที่เ็าเรียกว่าเป็นโรคหูมีน้ำหนวกมีหนองไหลอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านไม่ได้เป็นมนุษย์สมบัติ แสดงว่าจิตของท่านเนี่ยตกต่าอยู่ในอบายภูมิเป็นภูมิของเป็ดอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเป็ดก็ไม่มีเสื้อผ้าใสเหมือนกับเด็กที่เกิดมาเลยเด็กที่เกิดมาเนี่ยมันไม่มีไม่มีเสื้อผ้าใสที่อยู่ในท้องแม่แต่มันมีสายสะดือที่โยงผูกติดกับ เป็นสายลกที่ผูกกับมดลูกของแม่แม่ทานอะไรไปเนี่ยมันก็ส่งผลอาหารถึงลูกลูกก็ไม่มีเสื้อผ้าค่อยๆแปงลงร่างมืองอกเท้างอกมีตามีหูมีอาการ32นั่นเองแต่ถ้าเกิดเราไม่พิจารณาว่าเปดเนี่ยมันเป็นตัวแบบไหน ขนาดอยู่ในท้องแม่ถึงเก้าเดือนเมื่อคลอดออกมาเนี่ยตัดสายสะดือแล้วพ่อและแม่เนี่ยก็ตัดใจไม่ได้เรียกว่าสัญญาแห่งความผูกพันสัญญาแห่งความเป็นรูปสัญญาแห่งเป็นพ่อและเป็นแม่คนที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยไม่รู้เลยว่า รูปของตัวเองนั้นภูมิที่เกิดมาก็คือเป็นเป็ดเป็ดก็ดูดนมแม่เขาเรียกว่าปากเท่าลูกเข็มที่คนโบราณเขาบอกว่าเป็ดเนี่ยมันไม่มีเสื้อผ้าใส่มันหัวโตพุงป่องขาเรียวแขนรีบนะไม่มีเสื้อผ้าใส่ค่อยๆนึกไปแล้วมันก็ร้องปี๊ดปิดปิด เด็กมันก็ร้องปี๊ดปิดปิดปากเท่ารูเข็มก็คือหัวนมหัวนมของแม่เนี่ยก็จะเป็นรูเล็กๆพอไอ้เจ้าเป็ดนี่มันดูดเนี่ยมันก็รูเท่ารูเข็มดูดมากก็ไม่ได้เพราะว่ายังเล็กอยู่พอดูดมากก็จะสำลักเจ้าเป็ดนี่ก็ดูด ปากเท่ารูเข็มก็ร้องปี๊ดปิดปิดพอหิวก็ก็เอาข้าเอาเอานมยัดปากไปเมื่อเปตอสูลกายอะก็แปลว่าดีกายเนี่ยมันเกิดความศูนยศูนย์ก็คือไม่มีค่าแปลเปลี่ยนไปตามรูปประธรรมนามประธรรมตามรูปก็คือรูปหญิงรูปชาย ถ้าเป็นผู้ชายก็เรียกว่าเด็กชายแต่เป็นผู้หญิงก็เรียกว่าเด็กหญิงถ้าเป็นผู้ชายโตขึ้นก็เรียกว่านายถ้าเป็นผู้หญิงก็เรียกว่านางคำว่านายก็หมายถึงว่าเจ้าเป็ดเนี่ยมีกายกายเหมือนเราเลยมีอาการครบ32ที่ออกมาแต่ทํามาหากินไม่ได้ พ่อเกาะแม่ไปไหนก็หิ้วจงแบกหามกันไปเสื้อผ้าก็ไม่มีก็จะต้องใส่เก็บขี้เก็บเยี้ยวทำความสะอาดน้ําท่าหุงหาอาหารก็ไม่ได้ให้พ่อแม่เนี่ยความรักความผูกพันว่าเราเป็นพ่อเป็นแม่เรียกว่าเป็นเผ่าเป็นพันเรียกว่าพันทุกกรรมผัวพันกัน กรรมก็คือการเกิดเกิดกันเนี่ยก็เพราะว่าการมตัญหาระหว่างพ่อกับแม่เนี่ยมีกามตตัญหามีความราคะชอบกันในสภาวะที่เกิดขึ้นในรูปในนามที่เกิดปรากฏที่มองเห็นผู้ชายก็มองเห็นรูปผู้หญิงผู้หญิงก็มองเห็นรูปผู้ชาย เมื่อมองเห็นแล้วเราเกิดมาจากสภาพของกามไม่ว่าสัตว์แมลงหรือสัตว์อื่นๆเช่นมนุษย์ระหว่างพ่อกับแม่เสพกามกันเมื่อเราถึงวัยเจริญพันธุ์เราก็เป็นไปโดยธรรมชาติเพราะต้นเหตุระหว่างพ่อกับแม่ มีกามะลาคะมีการห ล, ลงอยู่ในรูปหลงอยู่ในนามอย่างที่ลุงพ่อบอกไว้ได้ข้างตน้นค่อยๆพิจารณาไปบางคนก็คิดได้บางคนก็คิดตามแล้วก็ปรุงแต่งไปตามสภาพของจิตคนที่เคยมีจิตเป็นกุศลเคยฟังธรรมของพระพุทธเจ้า ยอมไม่ละแคะไม่ละคายยอมไม่มีความรังเรสงสัยยอมมีความรู้สึกเห็นตัวอานิจจังว่าโอโนอนี่คือสัจจะเรียกว่าสัจจะธรรมธรรมก็คือในเบื้องต้นเบื้องกลางแล้วก็เบื้องปลายเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติทั้งหลาย ท่านยังไม่เข้าใจเรื่องของรูปนามท่านยังไม่เข้าใจเรื่องของธาตุดินน้ำลมไฟท่านยังไม่เข้าใจเรื่องของจุติการเกิดการแก่การเจ็บการตายท่านทั้งหลายอยากปฏิบัติอยากมีญาณมีฌานอยากยังรู้ฌานก็แปลว่าชินแต่ท่านปฏิบัติโดยที่ท่านไม่มีสติ ประกอบกับปรุงแต่งเรื่องของกิเลสต่างๆนานาตามที่เขาเล่าว่าตามที่เรานั่งแล้วก็อยากปรุงแต่งคิดเห็นตามสภาพของจิตที่มีกิเลสหยาบบ้างละเอียดบ้างสุดแท้แต่จะปรุงแต่งขึ้นเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณกับกายวิญญาณเมื่อเราไม่เข้าใจเรื่องของจิต เราไม่เข้าใจเรื่องของกายเราจะมาปฏิบัติให้เสียเวลาทำไมกายวิญญาณก็ประกอบด้วยธาตุดินก็คือกระดูกธาตุน้ำก็คือน้ำเลือดน้าเหลืองน้ำลายน้ำตาน้ำเงือททำให้เราเนี่ยรู้สึกเย็นสบายธาตุดินก็คือกระดูกธาตุลมก็เราก็หายใจที่หมุนเวียนเข้าไป รวมทั้งอากาศาธาตุที่เข้าออกเข้าออกท้องยุบท้องพ่องท้องยุบท้องพอ ง, อ ง, อ ง, พองเรียกว่าธาตุลมแฝงไปด้วยอากาศาธาตุทาให้เลือดลมเนี่ยหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพธาตุไฟก็คือทําให้เราเนี่ยรู้สึกอบอุ่นรู้สึกร้อนรู้สึกหนาวรู้สึกสบาย รู้สึกว่าไม่สบายเมื่อมีธาตุดินน้ำลมไฟประกอบกันแล้วเรามีจิตจิตก็คือหัวใจนั่นเองจิตก็คือจิตวิญญาณจิตวิญญาณก็คือสภาพรับรู้เหมือนหูเราเนี่ยรู้และได้ยินที่หลวงพ่อพูดอยู่เรียกว่าสภาพของจิตวิญญาณร่างกายเราเนี่ยมีลมมากระทบ รู้สึกเย็นรู้สึกเมื่อยคำว่ารู้สึกเนี่ยเรียกว่าจิตวิญญาณนักปฏิบัติทั้งหลายยังไม่รู้เรื่องของจิตวิญญาณยังไม่รู้เรื่องของกายวิญญาณสภาพจิตและสภาพกายวิญญาณ น, นั้นเปรียบเสมือนคู่แฝดถ้าเปรียบเหมือนรูป ก, ก็คือแก้วตากระดวงใจนั่นแหละ เพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าจิตวิญญาณเนี่ยมันก็รับรู้นะรับรู้ร้อนหนาวรับรู้สิ่งที่พอใจไม่พอใจรับูรับรู้กับเสียงที่ได้ยินจากหูแสงที่เราได้เห็นจากตากายที่สัมผัสรู้ร้อนรู้หนาวมีความรู้สึก เรียกว่าจิตวิญญาณในขณะที่เรามาปฏิบัติกว่าเราจะโตได้ขนาดนี้กว่าเราจะได้มาปฏิบัติแบบนี้เรานั้นมีจิตวิญญาณที่ไม่ใช่เป็นคนที่มีวิญญาณเสียแล้ววิญญาณเรานั้นอะโคจรตามกิเลส ก็คือจิตของเราเดี๋ยวจะงงสภาพใจของเรานั่นแหละก็คือจิตวิญญาณนั่นแหละมันโครจรไปตามหูตามตาตามสภาพของการปรุงแต่งนึกคิดเรียกว่าจิตฟุ้งซ่านไม่มีที่มาไม่มีที่ไปไม่รู้เหตุรู้ผลจึงบอกว่าซับภายในเราไม่เคยพิจารณา ภายในของตัวเองเลยเราไม่รู้จักาธาตุดินน้ำลมไฟไม่รู้จักจิตวิญญาณของเรานั้นก็คือเป็นบุคคลที่ไม่มีสติสติก็คือความรู้ตัววนไปก็เวียนมาที่หลวงพ่อพูดให้เราเข้าใจว่าการฝึกสมาธิก็คือการฝึกสติให้รู้ตัว เมื่อเรามีความรู้ตัวแล้วเนี่ยเราก็หาเหตุคนเราก็ต้องมีเหตุมีพื้นฐานที่หลวงพ่อพูดไว้มีเหตุก็คือต้องรู้เหตุปัจจัยในการเกิดเกิดก็คือระหว่างพ่อและแม่มีบุปกรรมวิบากกรรมด้วยกันมาเมื่ออยู่ร่วมกันก็มีการเสพกามกันเมืนะ่อมีการเสพกามก็เกิดมีบุตร มีเผ่าพันธุ์อย่างที่หลวงพ่อพูดเมื่อเรารู้เหตุว่าพันธุ ก, กรรมเนี่ยมันเกิดอย่างไรเหตุการ์เกิดแก่เจ็บตายเมื่อเกิดขึ้นแล้วเราก็รู้ว่ามันเกิดจากอะไรเกิดจากเปรดออสุรกายสัตว์เดรัจฉานเมื่อร่างกายเราเล็กๆไม่มีเสื้อผ้าลองนึกภาพไป เตศนั้นมันปุงป่องปากตัวเล็กๆเราเนี่ยตามันก็ยังไม่มีปากมันแหลมมันค่อยๆแปลสภาพเป็นอาการส2เป็นหญิงเป็นชายในรูปนามของเพศเป็นเป็นสภาพของเด็กที่เป็นก้อนเลือดค่อยๆเกิดขึ้นจนมีมือมีเท้ามีปากมีหูแล้วก็คลอดออกมาจากแม่ ก็ตัดสายสะดือออกเปิดตัดสายสะดือออกมันก็ร้องปิดปิดปิดไม่มีเสื้อผ้าเลยพ่อแม่ก็รักแลนะเพราะการเกิดเกิดก็มีความผูกพันนะพ่อแม่ก็เฝ้าขัดเกลาสั่งสอนนะอันนี้แขนอันนี้นิ้วอันนี้ตานะพยายามสอนลูกอันนี้ข้าวอันนี้พ่อนะอีนนี้แม่นะ สอนก่อนไอ้นี่ปู่นี่ย่ายนี่พี่อนี่น้องพ่อแม่ก็จะสอนไปก่อนนักเข้านักเข้าไม่ต้องสอนเกิดเพราะกรรมกรรมเป็นเครื่องปรุงแต่งกรรมเป็นเครื่องชี้นำกรรมเป็นเครื่องพันธนาการเป็นเครื่องชักนาให้เราเนี่ยไปสู่สภาวะยินดีต่อกรรมที่พึงกระทำไว้ก็คือกิเลสเอาละวันนี้ ค่อยๆบอกเหตุและผลก่อนไปตามสภาพของนักปฏิบัติทีละเล็กทีละน้อยวันนี้สอนปงอสุภะสอนรูปสอนนามสอนแห่งสอนแห่งการเกิดต่อสภาวะกายวิญญาณจิตวิญญาณเมื่อเราลบรับรู้สิ่งเหล่านี้แล้วค่อยๆพิจารณาหาเหตุหาผลตามที่หลวงพ่อบอก ในโอกาสต่อไปแต่ในโอกาสนี้ก็ค่อยๆถอนสมาธิอย่าได้เร่งรัดอย่าได้เร่งรีบอย่าได้ยึดติดตามสภาพของจิตที่เกิดอารมณ์ของเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลอย่าไปยึดถึงความปวดความเมื่อยเราค่อยๆมองใจของเราเนี่ยเข้าไปลึกๆแล้วกว็ยิ้มเขว้ว่า โอโนาเรเมื่อกี้นเรายังฟุ้งซ่านอยู่ทำไมตอนนี้เรามันรู้สึกเฉมรู้สึกเฉยอคคุบกขาจิตของเราทำไมไม่รู้สึกยินดีเลยว่ามีความร้อนความหนาวความเมื่อยความเจ็บความปวดอยากได้ยินเสียงนั้นต้องการสิ่งนี้ตอนนี้นึกไม่ได้รู้สึกเฉยรู้สึกมันเย็นมันเงียบ จะว่าสบายมันก็ไม่สบายจะว่าเป็นทุกข์มันก็ไม่เป็นทุกข์เพราะทุกข์สุขนี่เรายึดมันไม่ได้สุขเราก็ไม่รู้ว่ามันสุขถึงไหนอะไรเนี่มันเป็นเหตุแห่งทุกข์เราก็ไม่รู้ว่ามันจะทุกข์ไปถึงไหนและจะดับตรงไหนสุขมันเกิดตรงไหนแล้วมันจะสิ้นสุดตรงไหนความสุขแต่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่า ก็ยึดไม่ได้ทุ ก, ก็ยึดไม่ได้ตามสภาพของกรรมนั้นๆนะตามสภาพที่เรามองเห็นหูได้ยินได้ตามสัมผัสถูกต้องตามสภาพบุ ป, ปการณ์ที่ทาพึงกะระทาซึ่งกันและกันไว้คนที่มีพ่อแม่ลูกผัวเมียที่ผูกพันกันมาหลายพบหลายชาติ ก็จะต้องมีความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องเมื่อพบปะซึ่งกันและกันแล้วไอ้สายสินทาไมมันม้วนช้าจังเวลาฉันข้าวทาไมมันไวจังเ อ, เ, อ, อเวลาทำงานยัง ก, ก็ย่องเบาเอา้าวไอ้นี่รู้มากไม่ม้วนส่งต่อไปและไอ้คนไม่ม้วนไก่ไคนส่งเนี่ยมันจะจบไหมเนี่ย สายสินก็เรียวกว่าสายสัญญานะบางคนถือไม่ได้ศินก็รักษาไม่ได้บางคนม้วนไม่ได้แต่อยากได้หน้าเวทนานานมากกว่าจะม่วนกันได้กว่าจะได้เสกช้างนี่โอ้ยขลังกันมากอยากได้แต่ไม่อยากเสกเป็นเรื่องปกตินะ คนที่มาปฏิบัติเนี่ยขนาดนั่งๆั่งไปบางคนก็ไม่เคยจินมีสภาพจิตที่เป็นกุศลสามนาทีบนคนก็แค่หนึ่งนาทีแต่ว่าเดินเหินไปเนี่ยโอ้ฉันอยากทําบุญแต่ฉันรวยนะฉันจะสร้างโบสถ์ฉันจะสร้างวิหารสร้างสติของตัวเองยังไม่ได้ยังจะไปสร้างโบสถ์สร้างวิหาร นะกลัวจะเป็นปราสาทพระราชวังซะก่อนขนะนาดบวชกนะ็ยังไม่พ้นจากความรู้สึกที่ว่าเ อ, อเราบวชแล้วเราควรมีเมตตาเราควรจเจริญภาวนาทั้งจิตทำจิตของเราเนี่ให้สูงขึ้นทำจิตของเราเนี่ยที่หยาบเนี่ยให้มันละเอียดมากขึ้นนะ วันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยหลวงพ่อจึงไม่ค่อยอยากอยู่กับคนมากนักเพราะว่าสภาพของคนเนี่ยก็คือรูปนามของกรรมนั่นเองสภาพของคนเนี่ยก็คืออารมณ์อารมณ์แปรปรวนตามสภาพของกรรมของคนบุคคล น, นั้นๆเมื่อมาหาหลวงพ่อก็เอากรรมมาเล่าให้ฟังบางทีเราก็พังเพอ เกิดเพิ่มไปกับกรรมทุกถึงกับน้ำตาไหลบา ท, ที่โกรธเหมือนเหือแตกบางคนมีทรัพย์ก็ฟักทรัพย์ให้เขาไปเลยเพราะนั้นการอยู่ร่วมกันเนี่ยต่างคนต่างมีสภาพของกรรมเห็นการเกิดการแก่การเจ็บการตายทุกวันวัดกับสปากกัเบเขาทุกวันอาตมาก็นอนอยู่ตรงนั้น เกเห็นศพพระก็สวดกันทุกวันกุศาลาธรรมะอกุศาลาธรรมะอพยากาตาธรรมะเราก็คิดว่าเออเวลากินพระก็หาให้กินเวลานอนพระก็หาที่นอนให้ เ, ออเวลาเมาก็ขอตังค์พระเวลาหิวก็ขอข้าวพระ พรราเมาก็ด่าพระคนเออเวลาบวชมาเป็นพระก็ไม่รักษาศีลเวลาตายก็ไม่พ้นพระก็มานั่งพิจารณาดูว่าเออเนอะเออชีวิตคนเราก็แค่สิบห้านาทีสิบนาทีเดี๋ยวนี้ใช้เฟฟ้าชอ็อตปุ๊บเดียว เหลือตะกระดูกตอนเช้าก็หอบ้าขาวรอไว้เลยแล้วก็ไอซับปปเปลิมันก็สมมติวันนี้คือกระโหลกแขนขาหัวเข่ า, ขาลูกสะบ้าอีนี้มันให้ครบอาการสามสิองญาติโยมก็ร้องห่มร้องไห้หอบกระดูกไปลอยอังคารท้ายสุดน้ำเหลือแต่ภาคขาวก็ยังดีไปหอกระดูกไป แต่สภาวะที่อยู่เนี่ยโอ้ยมันปุงแต่งแะจิตใจเราเนี่ยมันไม่ได้อยู่ข้างในมันไปไกลจนกว่าเรียกก็ไม่ได้ยินไอเอสมมุติว่าเรียกไกลๆเนี่ยวางยมเอ๋ก็ยังพอได้ยินนะถ้าเกิดยมไปไกลมากแหละไปอยู่จังหวัดไหนก็ไม่รู้นะ แต่สภาพจิตนะสภาพจิตมันยังถึงกันอยู่นะมันก็คิดปรงแต่งว่าเออไอเอมันกินข้าวหรือยังมันไปไหนมันอยู่สบายดีไหมปีนี้มันจะได้สองขั้นสามขั้นไหมเอ๊ะมันจะคิดถึงเรามั่งหรือเปล่าเอ๊ะมันก็คิดไปนี่ไม่ได้อยู่ทางไหนแล้วมันไกลมองไม่เห็นตะโกนไม่ได้ยินแต่จิตเนี่ย สภาพใจเนี่ยมันปรุงแต่งไปแต่ถ้าเกิดใจของเราเนี่ยยังอยู่ในสภาพที่มีสติมีความรู้ตัวอยู่เนี่ยก็ยังสอพอที่จะเรียกนะเรียกกันได้ยินตายังมองเห็นมือยังจับต้องถึงกันได้เนี่ยก็ยังอยู่กันไม่ค่อยจะได้เลยนะโยมนะบางทีพระคุยกันไปก็ ไม่ค่อยจะถูกใจกันทั้งๆได้มีกรรมร่วมกันกินข้าวบาตเดียวกันวัดเดียวกันแม่ชีก็เล่นเดียวกันนะพวกมึงพวกกูกูยินดีกูไม่ยินดีพวกกูกูบุญมากกว่ามึงมันพรรษาน้อยกว่าสรุปแล้วภาขาวห่อขี้ทั้งนั้นห่อกระดูกฮะ กระดูกมึงในลายยิ่งกว่าแมงดายอีกนะไม่ดูตัวเองนะใจมันไกลเกินแล้วขนาดอยู่ใกล้พูดคุยกันได้ยังไม่เข้าใจกันลองนึกสภาพดูสิก็ไม่ต่างกับสัตว์เดรัจฉานจริงไหมถ้าเราเนี่ยอยู่วัดเดียวกันยังทะเลาะกัน หมามันอยู่วัดเดียวกันมันกัดกันมะมกัดไหมฮะตาตีมกัดไหมเคยเห็นหมากัดกันหมฮะมีบ้างกูนึกว่ามึงไม่เคยเห็นแสดงมึงพระอรหันแน่ฮะแล้วถ้าเกิดหมาเนี่ยมันมันอยู่ร่วมกันนะมันสัตว์มันไม่รู้จักกันนะมันไม่รู้ใครเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกไม่รู้ใครเป็นพี่เป็นน้อง นั่นคือภูมิของสัตว์เดรัจฉานแต่มันมีรูปรูปเป็นหมาเป็นวัวเป็นควายเป็นช้างเป็นม้าเป็นปลาเป็นไก่เป็นกุ้งเป็นหอยเป็นปูเป็นปลาตามสภาพกรรมในรูปแห่งกรรมแต่เป็นมนุษย์เนี่ยเขาเรียกว่าสัตว์ประเสริฐนะเป็นสัตว์ที่รู้ผิดถูกชั่วดีใครบอกว่ามึงเกิดมาเป็นหมาไอชาิหมากดต่อยกันตีกันก็มี มีเคยใครเคยว่าเราแม้ว่าไอชาติหมามีนะตั้งแต่เล็กจนโตก็ยังด่าหลวงพ่อเลยเออไอคนชาติหมาพวกนี้มันเปรียบหลวงพ่อเป็นหมาตอนนั้นใหมมันเลือดขึ้นหน้าเราเป็นคนมองหลวงพ่อเป็นหมาได้ไงวไัต่อยแม่งซะเลยนะแต่ไม่ยอมรับว่าอ๋อที่เขาเรียกว่าตัวเป็นคนแต่ใจมันต่ำเยี่ยงหมาเยี่ยงสัตว์จ้นะ เขาเปรียบเทียบไปฟังแล้วเขาก็ด่าให้ฟังเขาเปรียบเปยให้ฟังเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามีกายเป็นมนุษย์แล้วมีจิตที่มันถดถอยจากความเป็นมนุษย์เนี่ยมันก็เหมือนเป็นพระที่ถดถอยตัวเองเป็นพระอ แต่อยากจะเป็นไอเถนอยากจะเป็นชีชีอยากเป็นคารวม า, าทาปากทาแป้งพระก็อยากจะใส่ยีนใส่น่นใส่นี่ห่ผมผ้าดูหล่อเท่มากไม่รูมันจะโทรทำเฮี้ยอะไรขึนมาหนักหนาเห็นไหมหูตามองไม่ถึงตะโกนไม่ได้จับต้องไม่ได้ มาเลยนะโทรศัพท์สามบาทนะอยู่ประเทศไหนอยู่ตรงไหนก็นะมีหูทิฟนะ์ไม่ต้องปฏิบัติยอมรับรวมทั้งหลวงพ่อเยมีหูทิบ์นะไม่ต้องนั่งนะนั่งทำไมให้มืม่ยตูดนะนะมีหูทิบ์อยู่ตรงไหนก็โทรถึงกันล่นะฮัลโหลอยู่ถึงประเทศนอกมันกัน โทรถึงเราเลยพระเจ้ามัวแต่นั่งหลังคดหลังแข็งสู่พระเนรวัดอิติแม่ชีวัดอิติไม่ได้อยู่แคนาดาโนเวย์ก็มีเคลื่อนถึงกันหมดนะเมื่อวานนี้เขาโทรมาหาผมจากยู a อโอ้ไม่ธรรมดาพระเราพูดละคันหัวเลยฮะมีหูทิพย์ ตาทิพย์ก็คือทีวีใครก็ลบลาค่าฟันกันไม่รู้ว่าโลกไหนซอกไหนมุมไหนเราก็เห็นหมด เ, เห็นหมดแต่มันภาพมันเจริญทางหูทางตาเนี่ยมันไม่ได้เจริญด้วยด้วยจิตใต้สำนึกที่พระพุทธเจ้าสอนอนักร้องก็ต้องนุ่งสั้นๆใส่เอวไวๆ ตอนนั่งเสร็จรับโทรศัพท์ของเนนชึกชึกชึกชึ ก, ชกเราก็เอทอะไรวะเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลเนนโทรศัพท์มันเสียงอะไรฮิพอพครับพ่อ o ูก็เอฮิพอพมันเป็นยังไงอ๋อไอที่เต้นก็เด้าหน้าก็เด้าหลังมือสบัดเหมือนทาปากทาเขาเรียวกว่าฮิตพบที่มันพูดแล้วมันพูดไปเหมือนเพือก เปดนะพูดว่าไม่รู้เรื่องรู้ราวเพื่อสัตว์นรกนะเดี๋ยวต่อไปเนเนเนี่ยต้องเจอเพื่อนรกแน่ๆเลยนะมีพิษพ o p นะแล้วก็แอบให้ห่างแม่และแอบดูได้นะของเนนก็มีด้วยนะเปิดมามีเราก็ไม่เคยเห็นว่ามันมีอะไรเดี๋ยวต้องขอเนดนดะนะูเนี่ยมันมีหูทิฟตาทิฟแต่มันจเจริญต่างกัน มันไม่ได้จเจริญได้ทางจิตใจมันจเจริญในความรู้ความเห็นการได้ยินได้สัมผัสเด็กสมัยนี้จึงเอาตัวไม่รอดนะเอาตัวไม่รอดเห็นเขาข้าวสุกในกล่องมาแล้วไมโครเวฟเสียบไฟฟ้าถ้าเกิดไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ำมันเนี่ยกูเชื่อว่าเนรพาฒที่นี่น่าจะมรณภาพหลายองค์นะ ก็เพาะว่าเนี่ยลองปิดไฟเดี๋ยวสามทุ่มกูยกคันเอาลองแม่งเลยนะหิ่งห้อยเริ่มออกกันให้ไขว่ฟ้าหมดแบตหมดจะทํำยังไงหูทิพไม่มีชานอย่างรู้และจะทํำยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้ปิดแก๊สให้แมงหุงฟืนนะให้หมอให้ข้าวให้ถ่านแตะชานเป็นคนเผาถ่านตายไม่ชีกว่าพระจะได้กินน่ากลัวมรณภาพ เ, าเนี่ย บางคนถือมีดแต่ไม่รู้จะหั่นอะไรบางคนคิดเมนูแต่ว่าเป็นลูกมือแต่ไม่เคยทำมีชุยอยู่องค์หนึ่งก็ ม, มีเพื่อนแคนาดาเขาจะทำ อ, อาหารของเมืองนอกถวายหลวงพ่อบอกสุดยอดแห่งอาหารของแคนาดากูเห็นแล้วอย่งางก็อวกหมาไงนะโอ้โหเม็ด อะไรเป็นยางเป็นยืดเป็นไสเหมือนไส้เดือนกิ้งเกยยกมาเนี่ยมันยังยังไม่พ้นจานยังเป็นยางเหมือนขี้สลเลตเงี้ยนะกูเห็นแล้วโอ้โหกินไม่ลงใช้เอาฉันเจริญอาหารเยอะๆนะลูงพ่อสุดยอดเลยเขาว่าไงกินไปก็ผะ อ, อืดผะ อ, อมผะ อ, อืดผะ อ, อมมันนึกเนนึกโอ้ยังเหมืนอนเคยเห็นหมามันอ้วกอยู่ เ <Yeah. S 2> มันก็มีเศษอาหารออกมาเออเราก็เป็นคนชอบคิดพิเลนพิเลนก็สุดยอดแห่งคันแคนาดากูที่อดทับตายไปนอร์เวย์ไปต่างประเทศก็นี่มนไปกูก็ชอบโอ้โหไม่เคยนะไปไ่นหนาวหนาวตั้งแต่วันแรกเนะี่ยหอ่หอเหลือแต่ลูกตายอย่างเงี้ย มือก็ใส่ถุงมือรองเท้าก็ใส่ถุงเท้าจะขี้จะเยี่ยวไม่รู้ว่าจะขี้ออกหรือเปล่ามันหนาวเหลือเกินที่พักก็พาขึ้นรถไปขึ้นรถมากว่าจะได้นอนไม่รู้กลางวันกลางคืนต่างประเทศเพราะพระอาทิตย์มันไม่มีกลางคืนใช่ไหมมันมีแต่กลางวันเออ กูก็ดูบ้านหาเมืองอะไรไม่มีกลางคืนไม่มีกลางวันอาหารก็กินแปลกแลแล่ปลามาโปะข้าวก็ไม่มีอนมอะไรมาพลิกโปะ <Yeah. S 1> กูก็ฉันไม่ค่อยได้สภาพก็โทมลงโทมลงภาษาังอฤษเป็นคนชวนกูเสือกเป็นไข่ป่าต่างประเทศกูไปไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยไปเฝ้าไข้พระสัง กลางคืนต้องเอาผ้ามัดเอาเชือกมัดห่อเหมือนข้าวต้มมัดเน่ยมันหนาวร้องทั้งคืนกูก็โหไม่ได้หลับได้นอนไปนอร์เวย์แท้ๆกูก็ไปเฝ้าภสังเป็นไข้ป่าไม่ได้ไปไหนเลยแล้วก็ไม่กล้าพาไปที่โรงพยาบาลเพราะว่า มันติดเชื้อเชื้อไข้ป่าไปเนี่ยเขาจะไม่ให้ออกนอกประเทศนะแล้วก็ถือว่าเอาเชื้อเข้าประเทศเขาเนี่ยมันเขาจะต้องโอหลากหลายหลายมากอชายเล็กก็วิ่งไปหาหมอต้องใส่ติบโอ้สารพัด ส, สารเพเออกูนี่มีเวรกรรมไปเมืองนอกครั้งเดียวกินเฮี้ยอะไรก็ไม่รู้ก็ฉันไม่ได้ เขาก็มีข้าวเหนียวไปเนาะไอ้ไอ้เนี่ยไอ้ไอ้หมูย่างหมูหาอะไรก็ไม่หมูผงหมูแผ่นอะไรเนี่ยกกก็ได้อี้น้ำพริกเผาจิ้มกับไอ้ข้าวเหนียวกินเหมือนคนลาวเลยนะอะ่นี่แหละเสร็จแล้วก็เฝ้าไข้เพราะสัง่งทั้งคืนทั้งวันจนกลับไปเลี้ยงห่าน ่านเ็ามีวหวตามคลองน้ำพอไปถึงคลองน้ำคนมันไม่เคยเห็นคนหัวโล้นอย่างลุงพ่อเนี่ยนะ มันก็เอ๊ะมนุษย์หรืออะไรแต่งตัวแปลกแปลมันมองเราเหมือนกับเรามองไส่เดือนกิ้งกือเด็กวิ่งไปแล้วมันยังไปตามมาอีกหกเจ็ดคนมายืนมองว้ายว้ายว้ชี้มาทางเราด้วย เ, เราเอ๊ะอายโอ้โหอายมากเลยปวดต้องขี่ต้องเยี่ยวก็ไปตรงไหนไม่ได้โอ้ยอันขี่อันเยี่ยวชาติหน้าเธอมานี่มนกูก็ไม่ไปอีกแล้ว นั่งบนเครื่องบินก็นั่งนานมอ ก, กว่าจะถึงบ้านเรากินไม่ได้นอนไม่หลับไม่รู้เวรัมเวลาโอ้เขาบอกว่านอร์เวย์เนี่ยเป็นเมืองสวรรค์เขาว่ากันกูว่านรกจริงๆฮะ <laughs> แล้วภาษาก็ไม่ได้เจอพรังก็ยักหน้ายิ้มไอ้หลังมันก็ยิม้มแล้วก็มองแปลกๆนนี้มันตัวอะไรเขเนี้ นี่มันนี่มันเขาเขามาจากเมืองไหนเหมือนพวกเอเลี่ยนไปไงี้นะกูอกู <c oughs> ก็นั่งนึกนะเออถ้าเกิดเมืองไทยดีที่สุดแหละ เ, เกิดเมืองไทยบทวัดอิติเนี่โหมันสุดยอดวัดแล้วมีตั้งแต่แอปเปิลสาลี่นะผละไม้เมืองนอกไม่เคยมีปลูกในวัดเลยเนี่ย ในหนอง้อหนาเงาะทุเรียนมาก็ให้พึบพับหมดโยมก็มากันเต็มหมดข้าวก็เต็มหมดอาหารเช้ากลางวันเย็นครบนะอยากทาวัดก็ได้ทาวัดอยากฉันก็ได้ฉั้นอยากนอนก็นมีตึกนอนมีแอร์มีไฟฟ้าโอ้เนี่ยพัดลมเป่าตูดปาดปาดกูเดินละ8 9เก้าหมื่นเึอมึงเสียบเป็นหิงห้อยแวบ แ๊บบในประชามันยังลากสายพิงนะโยมนะอาตมาเดินไปเอ๊ะมันแสงอะไรวะเรานึกสิ่งศักดิ์สิทธิ์พอจอดรถปุ๊บเดินลงไปโอ้มันลากสายวิ่งหนีเอ้าเราก็นึกว่าแสงอะไรนะแท้ๆโทรศัพท์โยมโอ้ห้าทุ่มเที่ยงคืนมันก็ยังชาร์จแบต ด, ด้วยคุยด้วยมันกลัวไฟหมดนะ เดี๋ยวคืนนี้สามทุ่มก็จะยกคันเอาลงและตัวใครตัวมันจะทำอะไรก็ทำนะเวนวันนี้ยกคันเอาลงกูว่าของในตู้เย็นเน่าเหม็นชิ้งายใบปลวงหมดไอ้พวกที่เก็บของต้องเน่าออออไอ้พวกที่จะเสียบปลั๊กชาร์จแบต จะฮัลโหลหน่อยวันนี้มึงหมดสิทธิ์สามทุ่มกูเฝ้าคัดเอากูจอดรถเลยเดี๋ยวกูจอดรถตรงคัดเอาถ้าใครยกเมื่อไหรกูฟันมือขาดวันนี้นะมึงใครดูกูมั่งกูจะโหดกับพวกมึงมั่งเดือนละแปดหมื่นกว่าบาทค่าไฟยังไม่บวกกับค่าน้ำแต่ไม่ได้มาพูดให้ยมอึดอัดใจลำคาญใจไม่ใช่ มันไม่ได้มาช่วยสงสักและมันทำลายกูสัแล้วกูหาเงินทับตายเลยงกงกงกงกจะจ่ายค่าแรงค่าน้ำค่าไฟสิว อ, อนที่มึงใส่กันเนี่ยโอ้อยางเทล่อเลยเนี่ยกูหามาทั้งนั้นเอาสามร้อยชุดไปแรกหกสิบชุดนะมีใครเขาคิดกันบ้าง เ, าเลขาตุย้ย เอาพัาไตรไปแลก60ชุดพ้าไตร300ชุดแล้วไปแลก60ชุดมึงว่าได้กำไรหรือขาดทุนอขดพ่อขดแม่กูไม่เคยได้ใช่ยางเงี้ยแม่กูแลกเข้าสารกับข้าเปลือกยังเอาเปียกก็เลยแม่กูอะไอ้ตุ้ยเอาผสาไตร300ชุดไปแลกชุด60ชุดมันยังไม่ได้ครึ่งเลยนะแล้วเขาสรุปแล้วว่ายังไงกันก็ไม่รู้นอยไปไหนก็ไม่รู้ น้อยไปเฝ้าเมียเหรอฮะอ๋เอเวรเวรกรรมใช่ไหมแล้วเขาว่าไง เ, รรเขาก็กลับเออแล้วไอ้คนตกลงก็สศึกไปแล้วแล้วมันบอกไปตกลงกันตอนไหนก็นไปหรือ เ, เ, เอาใครเป็นคนไปตัดตัดสินใจตกลงกันรู้ไหม มาคุยกับพัทตุยวัาตุยไม่ได้เป็นเจ้าวาดอะตกลงกับลูกวัดเขาเรียกตกลงกับผีนะเฮอมึงเอาไะไอทหารเอาไะมมึงเอาไหไอหนูมึงเอาสามร้อยชุดกับหกสิบชุดมึงเลือกอะไรเงินสามร้ยกับเงินหกสิบบาทมึงจะเอาไหน เอา3 0มรอยเนี่ยมึงยังคิดเป็นแหละไอ้เฮียไอ้ตุ้ยมันคิดได้ยังไงนีนี่ไอ้คนตัดหกสิบชุดเนี่ยมันก็มาด่าหลวงพ่อมาด่าวัดเราว่าพระไม่มีสัจจะตกลงกันคุยกันเรียบร้อยแล้วมาถึงตอนนี้ก็ไม่เอาอีก และไอ้ผ้าตหกสิบชุดเนี่ยฉันจะไปขายให้ใครและไอ้สามร้อยเนี่ยฉันเกี่ยมไปบอกขายไว้ที่ร้านหมดแล้วกูบอกแล้วใครเอาของวัดกูไปขายแดกเป็นหมาห้าร้อยชาติกูแช่งไว้กูให้ฟรีคือกระป๋องสังฆทานกระป๋องเปล่านะแต่ใครเอาของในกระป๋องไปกูก็แทงอีกใครเอาไปขายขอให้มันเป็นหมาห้าร้อยชาติ อย่าได้ผุดได้เกิดเป็นหมาขี้เรือนเหมือนวัดกูเนี่ยแล้วก็หอนแล้วก็เห่าแล้วก็พรกก็เตะชีก็คว่างอเมื่อกี้ดูชาติเดียวก็จะแย่แล้วตั้งห้าร้อชาติแถมเป็นหมาขี้เรือนอีกกูแช้งไว้ใครเอาสังฆทานเขาถวายถ้ำกลางสงศ์สงมีสิทธิ์ใช้ แม่ชีกับบาศกบาสิกาที่มารักษาศิลนมีมีมีสิทธิ์ใช้ะมีสิทธิ์ขอแต่ห้ามขายห้ามขายกูถึงบอกว่าสังฆทานใครอยากได้อะไรก็เอาไปแต่เอาให้พอดีแต่พระฉลาดถ้ามียี่ห้อดีๆพระจะจกเป็นรูอย่างงั้นหนูเจาะรูงันนะพระจะจกลวงเหมือนเป็ดลวงนั่นเนะจาะจกเข้าไป ไอสบู่ที่มันยี่ห้อไม่ดีนะพักก็แวกแวกเอ ว, วางไว้ข้างกระป๋องถ้าสบู่ลักครีมนวดหน้านวดกระดออะไรอยนมันก็รู้มันจะร้วงร้วงร้วงเข้าไป อ, อ <c oughs> ผมเห็นกระป๋องมันมีรูจกจกทีแรกเราก็นึกว่าเอ๊ะหนูเยอะเหรอหนูมันจกกระป๋องสังกะทานพอไปดูอ้าวหนูอะไรมันเอาสบู่ลัก ไอ้คีมนวดเนี่ยเมชีไปฝากเมชีมั่งไอพระเนี่ยกูว่าเนี่ยให้ชีนวดตัวจะได้ดูผ่องใสอจะได้เจริญหูจเจริญตาต่อพระพิสุสง์เมื่อได้มาพบเห็นเหมือนกันเมีก็ได้สบู่ไปพระก็ได้สบู่ไปกูเห็น้ชาตามมากล่องละสามบาทอยู่นิ่งเลยอนะ อ, อยู่นิ่งเลยไอ้วันนั้นผมก็เหลไว้เหมือนกันนะไอ้ไอ้ไอ้อะไรไอ้ที่ใส่ผ้าแล้วมันหอมหอมที่ซักอะ่ะยาปรับพนมพะแข็งเฮียอะไรกูก็ไม่เคยใช้ไอ้เดี๋ยว่าไหเฮียให้ยีนอะไรน่ะก็กะทั่วไอ้กูอันเบลเลอร์เลยกูก็กล่าวว่าเออเดี๋ยวว่าไปล้างห้องน้ำกู อีกวันหนึ่งมาดูไฮยีนไปไหนไปแหละเหออลือแต่แฟบไอ้ที่เป็นถุงกิโลครึ่งมันเอามาแทนนะเออเราก็นึกเออไอ้เหรอภ า, าวั น, นี้นี่แม่งฉลาดเว้ยถ้าคนโง่คงไม่มาบวช ก, กับกูแน่แม่เป็นฉลาดแต่เวลาทำงานโอ้หมวลสายสินโอ้มวลช้ามากกว่าจะเสร็จได้ ไอ้องขาโยนให้องค์ดำไอ้ดงดำโยนให้ตาชานตาชานพันโยนให้ตาติม๋มกว่าจะจบได้กูเทศไปครึ่งแหละมันยังมวนทด้ิ่งไม่เสร็จใครได้พระวัดนี้ไปเป็นผัวมึงเอ้ยไม่เสร็จหรอกชีวิตมึงจะเสร็จก่อนนะล้วนแต่ละห ล, ะลอแข่งแข่งขางๆขังนั้นแหละก็ดูแลดูแล้วไม่เป็นท่าไม่เป็นสับวรส กอยู่ก็เพวกมึงก็กูรู้นะเหตุน่ะไปแล้วมาคืนกันหลายองค์และตอนอยู่โอยล่อมากเลยเท่ามากแข็งแรงมากอาทิตย์ที่แล้วกูเห็นแวบๆมาองคหนึ่งไอ้ทิดเราก็แอบดูอ้าวไอ้ทิดนี่มันสึกไปอ้าวแล้วอีสาวนั่นที่มันไปด้วยไปไหนแล้ววะเนี่ยไอ้ทิดอ้าวมาไงสวัส ด, ดีลุงพ่ออ้าวแล้วมึงสบายดีครับ สบายแล้วผมไม่มีพันธะอยากจะบวชอีกสักครั้งครับหลวงพ่อคุณบอกว่าคุยเนี่ยมึงยังไม่หายเป็นสัตว์เลยเฮียด่าไปอีกเออเอาละอีที่มึงไปกับมันไปไหนมันไปอยู่กับผัวมันไปแล้วครับอ้าวแล้วมึงไม่ใช่ผัวเหรอผมก็เป็นผัวมันแต่เป็นผัวน้อยครับหร <c oughs> อาอ้าวทำไมผัวน้อยมันมีผัวเยอะครับ ผมคิดไปหน้ามืดตาลายไปเห็นมันบอกก็ว่าไม่ได้มีไม่ได้แต่งงานมันบอกถ้าศึกมาจะไปใช้ชีวิตมันชี้รถตั้งหลายคันว่าเป็นของมันแต่แท้มันเป็นรถโดยสารครับหลวงพ่อมันอวดร่ําอวดรวยมันผ่านโอวมันยังบอกอิชีใส่ชีพามบอกว่าเนี่ยโอวมันเนี่ยชีมันบอกว่าโอวมันเคาะพ่นสีอูใหญ่มาก แต่แท้มันเอารถไปไปซ่อมไว้ <c oughs> ให้พระนี่ก็โอ้คึกคักหน่าดูเลยวัสนาพาบุญส่งกูศึกไปไปกับพาไมได้เมียด้วยแถมจะต้องเป็นอัคคระมหาเศรษฐีอู่เหว่นแบบแบบว่แวมอยู่แถววัดกูเนี่ยกูยังเฮ้อมันในาเนาะก็ <c oughs> เก็ไม่ได้ว่าเขานะไม่ได้ว่าโยมบุพกรรมใครกรรมมันของใครของมันะฮแกล้งชวนคุยไป็งั้นแหละเวลาลุงพ่อไม่มาวันนี้ลุงพ่อจะลงไหมเนาะเนี่ยเราก็มาหลายวันเราอยากฟังลุงพ่อเทศจังเลยพอกูดพูดมัง่ง โ, โหดพูดที่อะไรนักหนาโคตรเมื่อยเลยเมื่อยบรรย์เลย แก บ, บ้านน้าลายไปแล้วกูวันนี้คุยกันทั้งคืนแหละอยากเจอกูดีนัก อ, อ, อยากเจอแอบมองกุ้งคงมองผ่านไปมันยังไม่เห็นเลยกูนั่งอยู่อะอะลุงพ่อองค์นี้เขาเทพดีนะอยากเจอมากเลยพอกูเจอแล้วเป็นไงเริ่มถอดถอยทีแรกก็นั่งตรงสักพักก็เริ่มเอียงเริ่มคันตูดคันหัวเริ่ม เครียดละเริ่มเครียดหละพระเพอะก็เริ่มนั่งหัวห้อยหลังโกง่งเหมือนคนแก่เก้าสิบหละเอาให้แน่ว่าจะชอบลุงพ่อหรือจะเอาแบบไหนเอาให้แน่อออยากให้เทศหรือว่าไม่อยากให้มา อ, าอกูก็ไม่ค่อยมีเวลากับเพิ่งนบึงเท่าไหร่ด้วยตรวจหมอหมอก็ลีลาไม่บอกโลกสักทีลอดกูไปหลายสลิงและเลือดอะ ตั้งแต่หัวหินสามโรงบาลไปสามหลอดแหละแล้วหลอดเล็กสักเมลัยเนี่ยสามสี่หลอดไปกรุงเทพบอกว่าเอาอีกหลอดอีกกูจะแขนรีบอยู่แล้วเนี่ยนั่งตรงไหนก็จะหลับนั่งตรงไหนจะหลับเลือดจะหมดตัวแล้วว่าหน้าก่อนมันมาชาติปางไหนเราคงจะไปดูดเลือดเข้าไว้หรื อ, อยังไงเออ ช่นี่ไปโรงพยาบาลไหนก็โดนจะดูดเลือดนะแล้วไม่รู้โลกตอนเนี้ยยังไม่รู้โลกเลยวันนั้นไปสามโรงพยาบาลไม่มีหมออ่า้างติดคอยมโอ้โห้กื่นก็ไม่เข้าไายก็ไม่ออกทนตั้งแต่กลางวันเขาดันทางปานปาดกลัวทางไม่เสร็จ คือน้ำลายทีก็ต้องก่งคอมันนกขันอย่างเั้นนะ่ะสงสัยจะซ้อมไก่ไว้เยอะคอเจ็บหรื อ, อยังไงไม่รูเ้เย็นขึ้นก็ไม่ไหวลงไปนอนลองล้วงดูแล้วเลือดออกคอเลยมันไม่ยอมออกถ้าจะไม่ไหวไว้ฮะจนถึงเช้าน่ากลัวเราจะคอเน่าเดี๋ยวจะเป็นแผลติดเชือ้อเดี๋ยวจะตายนึกถึงความตายไปนอน แบกหน้าไปหายเนกใกล้เตีย้ยแล้วคิดดูนักมวยพาพระไปโรงพยาบาลหมออยู่ไหมฮะโอ้หนักมวยพยาบาลเดินหนีเลยนุ่งกางเกงขาสั้นใส่ว่ามวยไทยตัวเหม็นกึกไปเลยกูกูก็นั่งในรถคอก็เจ็บตัวก็โคตรเหม็นเลยกูก็นั่งไปกับมัน ไตโรงบานแรกหมอเขาไปให้ถึงจับกูอ้าปากเลยหลวงพ่อแลบลิ้นอ้าปากหน่อยมันเอาแผ่นเฮียอะยาวเกือบคือบอะ่ะมันล้วงเข้าไปในคอสำลักกูกว่าก็จะตายก็ไอ้ ท, อที่ไม้แย่นี่แหละแล้วมีบอกว่าอย่าดุนลิ้นอย่าดุนลิ้นถ้ากูไม่ดุนกูตายไหมก็มันเอาล้วงเข้าไปแล้วมันกดกดกด แล้ว ก, กดตั้งสี่ห้าครั้งโหเจ็บมากสงสัยกูเนี่ยคงจะไปเอาอะไรกระซวกคอเขาไว้แน่ๆเลยแล้วบอกอยังไงรู้ไหมลอกูถ้าจนงอมแล้วบอกว่าหมอไม่อยู่อา้าวผมก็บอกอา้าวแล้วยมไม่ใช่หมอเหรอโอ้ไม่ใช่ละครับผมเป็นอะไรผู้ช่วยผู้ช่วยหมอก็ เอาไปฉายส่งแล้วก็เอาเนี่ยเสียบไปในคอกูแล้วก็บอกว่าหมอไม่อยู่เขาหมอไม่อยู่แล้วทาไงบอกต้องรอพรุ่งนี้พรุ่งนี้หมอถึงจะเข้าเข้ากิโยมเข้ากี่มองยมผมก็ไม่ทราบมันว่ากันโอ้โหลอกกูเละเลยคอกูก็ต้องกลมคอเดินออกมาบอกเฮ้ยไอเตี้ยกลับไปโรงพยาบาลอีกโรงพยาบาลหนึ่งโรงพยาบาลซานเปาโล โรงพยาบาลกรุงเทพนะไปสองโรงพยาบาลกรุงเทพหมอก็พยาบาลก็มาอีกใส่ใส่คอเลยเหมือนกับไอ้โรงพยาบาลแรกแล้วก็บอกต้องส่งกล้องแล้วก็บอกว่า อ, อ๋อแล้วส่งวันนี้เลยไหมหมอ อ, อ๋อหมอไม่อยู่อีกเฉพาะทางไม่มีอีกโอ้โหแล้วมันเป็นอะไรมาแย่ยอคอกวเอะ กูก็ทนเนาะตื่นน้ำลายก็มาลงเ อ, าเอ้าเฮ้ยเอาไงดีไว้เตี้ยไปโรงพยาบาลห้วยหินดีกว่าเดี๋ยวนี้เครื่องมือเขาปึบเลยพ่อเครื่องมือเขามีทุกชนิดเลยเขาเอนเตอร์เทนเพราะว่าเมืองในหลวงกูก็เชื่อเลยไปโรงพยาบาลหวยหินอีกโรงพยาบาลที่สามหมอก็มาตรวจเลยเอาไอ้ที่แย่มาอีกแล้วไฟส่งแล้วก็บอกว่าไม่เจอ สงสัยลุงพ่อเนี่ยอุปทานไปกูก็บอกว่าหมออุปทานเฮียล่ะกูจะตายอยู่แล้วที่ผายเนี่ยเลือดขากทุยกูก็ถุยแมงตรงนั้นเลือดออกมาด้วยมันคงหลุดแล้วแล้วลุงพ่อเอามือใหญ่ๆเนี่ยถ้าจะเอามือไปคลูดครวนงั้นไปเอ็กซเลย์นะลุงพ่อว่ากูมันก็พากูไปอ่องเอ็กซเลย์ พอเอ็กซเรย์เสร็จมันก็ไม่มีมันไม่เห็นเพราะมันอยู่ลึกใช่ไหมมันก็บอกว่าพรุ่งนี้เก้าโมงเช้าหลวงพ่อมาใหม่นะจะมีหมอส่งกล้องมากูก็ต้องเจ็บถึงเช้าะนะนั่งรถมาคกอนน้ำลายก็ไม่ลงโอ้โหสามโรงพยาบาลไม่รับเย็บมาถึงง้องกูส่งกระจกเลยสัตว์เ้ยสาธุ กูมีกรรมเวรกับมึงอะกูแดกมึงไว้มึงก็เอาภัยให้กูด้วยนะมึงมาแทงคอกูตายแล้วใครจะแผ่เมตตาให้มึงฮอกูกินมึงอะมึงมาอยู่กับกูมึงโชคดีเสือกเอาก้างแทงคอกูอีกไอ้เหี้ยวันเนี้ยกูใช้กรรมมึงเพียงพอแล้วกูก็ล้วงแมงเลยควักๆๆลงไปโอ้โหเยี่ยวทับลาดเลยอะเจ็บมากอืม คือน้ำลายเคลือบๆมันก็ยังเจ็บเจ็บแต่ว่าไม่แป๊บละอ่ากูนี่ศักดิ์สิทธิ์ว่าหม อ, อเห้ยกูอธิษฐานเท่านั้นนะมือแหย่เข้าไปโอ้โหหายได้กระทั่งเดี๋ยวนี้หมอ ย, ยังไม่ได้ไอ้ที่ว่านัด ก, กูกูยังไม่ได้ไปเลยเนี่ยถ้าไปมันคงดึงลิ้นไก่กูออกมากูคงพูกกับมึงไม่ได้ตอนเนี้ยโอ้โหหมอนี่สุดยอดนะกนะูไม่ได้ว่านะวิพากษ์วิจารณ์ให้ฟังนะ อ่าพาไปกรุงเทพอไอ้นี่ไอ้ปึกตัวดีเนี่ยคุยกันไปคุยกันมาคุยกันเสร็จแล้วก็เหมาโลกให้กูหลวงพ่อสุขภาพดูโทมนะช่วงนี้ดูแล้วเนี่ยหลวงพ่ออายุมากขนาดนี้ต้องตรวจําไส้มะเร็งอะไรก็มันคุยไปคุยมาแล้วก็โยนโรคให้กูอ่ากูทีแรกก็ไม่เชื่อมันนะ มันเล่าใหญ่เลยหมอมันมาด้วยวันนั้นหมออยุธยามาท้องเสียบ่อยไอบ่อยนะ เ, เป็นภูมิแพ้ อ, อย่างนั้นอย่างนี้อาการมันกูก็ที่แรกก็ใจเข้มแข็งตอนหลังก็เลยไอ้ห่ากลัวตายเมื่อกันนะไปเลยมันบอกเดี๋ยวมันนัดหมอแต่ให้กูไป มันไม่ไปรอกันจนครึ่งวันไอคนนัดถามว่าหมอหมอบอกว่าผมไม่ทราบไม่มีใครนัดผมเอายังไงวะเอากลับมาอีกโรงพยาบาลหนึ่งต้องมาดูดเลือดอดูดแล้วดูดอีกจนกูจะหมดเลือดอยู่แล้วเนี่ยร่มตัวนอนถึงก็ฝันแล้วเดี๋ยวนี้ฝันถ้าเป็นนอนยุงกินว่าโอ้โหเป็นไข้ป่าว่าเลือดมันไหลเต็มหมดว่างั้น เจาะพุ่นมันเลยเนี่ยสองมือแถมเจาะว่ากุ๊บ a อเบอเอานิ้วแย่ก็ไปแล้วมันยิงเป๊ะเป็นเลือดออกมาเลยเป็นลูพุ่นมันเลยเนี่ยกูอะเออสงสัยว่าเอ๊พรนานี่มีแปลกแปกเฮ้มันเสียงอะไรอิทอิทอิท อ, อวะอะอะไอกาใคร อ bert, ้มันมีร้องด้วยเหรอคุณนึกกับโทรศัพท์มึงทดิลุกเอาไม้ฟาดหัวเดี๋ยวเนี้กําลังเทศก็ร้องไอนาฬิกาหาอะไรมันร้องเป็นเสียงนกกูเคยอยู่บนนกนานกากูจะตีเป้งเป้งแล้วก็คอยนับใช่ไหมว่าตีกี่ทีจะกี่โมงกี่ยามไอนาฬิกาออิเหมือนไอนกกระจอกร้องอะกูยังไม่รู้ไอมันตัวอะไร ปีนี้เข้าออกแต่ลงพยาบาลกูยังนึกเออปีนี้แปลกเว้ยกูไม่ป่วยแถมก็มเหมือนกับคนป่วยป่วยตลอดเลยปีนี้เข้าโรงพยาบาลแหมต้องใสมันแปลกแกนะแล้วก็ไปตรวจวันที่สิบเอ็ดเนี่ยสิบเอ็ดนี้ให้ไปรู้ว่าเป็นโรคอะไรแน่ แล้วไปสแกนตับด้วยอ่าสแกนตับไปสแกนปอดหัวใจอ่าให้กูวิ่งเนี่ยไอ้กระดานเนี่ยไอ้ไอกระดานไฟฟ้าเห็นไหมกูก็ทำสมาธิเดินเอารองเท้าใครมาให้กูใส่กูก็ใส่รองเท้าวิ่งเหมือนจ็อกกิ้งนักมวยเลยกูพุดโทพุดโทหมอก็ดูใหญ่พยาบาลอ่ามันก็เล่งมันเห็นว่าหัวใจกูอะ ไม่ทํางานทุกทีมันทําเสมอกันเลยเพราะกูทํำสมาธิมันก็เล่งกระดานใหญ่เลยกูก็ไวขึ้นไวขึ้นไวขึ้นกูก็โอ้โหอะไรขอมันวะกูก็พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทธโธสี่เกือบสี่สิบนาทีประมาณเกือบสี่สิบนาทีมันบอกหลวงพ่อนึกก็วิ่งขึ้นเขาเต็มที่เลยนั่หลวงพ่อนะโอ้โหหัวใจหลวงพ่อนี่สุดยอดสม่ําเสมอหายใจเท่ากันเปี้ย พอมันดับเครื่องกูเดินไม่ได้เลยกูนั่งโอ้โหมันตึงไปหมดโอ้โหกูอยู่วัดยิ่งว่าเตะกระสอบทรายเองปวดล้าไปทั้งขาเดินไม่เป็นขาสั่นไปหมดแลยขพอมันออกจากสมาธิแล้วกูเพิ่งรู้ว่าโอ้กูนี่ไม่มีกำลังลนี่หว่าเนี่ย ทักเดี๋ยวไออิดพอไออิไอสัตว์กูไม่ไหวแล้วมึงนวดขาให้กูหน่อยดีว่าเอาพอเป็นไรอ่ะมึงนวดจะไม่ต้องถามไอสัตว์กูวิ่งกระดานมาเมื่อกี้นี้โอ้โหวิ่งเจ็บหมดเลยเจ็บขาหมดอือ้าวเดี๋ยวเอาอะไรมาแย่ที่หูอีกละได้ยินไหมค่อได้ยินได้ยินไหมคะมันอยู่ตรงไหนแะกูก็บอกว่าได้ยิน อันนี้อะไรหนึ่งสองสามหลวงพ่อพูดตามสิคะกูก็บอกหนึ่งสองสามโอ้โหดีมาก่ะกูก็ดูแล้วมันจะตรวจทำเฮี้ยอะไรมันถามกูกูก็ได้ยินอยู่แล้วกูไม่ใช่คนหูหนวกตามันก็ชูสองนิ้วสามนิ้วสีนั้นสีนี่มันก็ตรวจตาตรวจหูตรวจหัวใจตอดตรวจห่า อ, อะไรมันจะตรวจทวารกูกูไม่ยอมอ เออมันจะแหกตูดสูบลมใส่ตูดมันบอกสบายไม่เป็นไรเลยนอนสบายใส่ ย, ยางยัดสูบลมเข้าไปแล้วพอกล้องเนี่ยไส้มันไปถึงไหนก็จะเห็นหมดคุณบอกว่าโยมอัตมาจะตดอยู่แล้วจะตดอยู่แล้วไม่ต้องสูบแล้วอัตมาเป็นคนที่มีลมในลาไส้เยอะมากนี่ก็จะตดอยู่แล้วว่ากัน หมอก็หัวเลาะนะหมอหัวเลาะเหมือนเหมือนเองหัวเลาะนี่แหละก็เลยไม่ได้ตรวจตูดนะเออโอ้เวรกรรมอะไรก็ไม่รู้ปีนี้ปีนี้เข้าโรงพยาบาลยัดเยียดโรคให้เออแล้วเดี๋ยววันที่สามจะไปบินทาบาทที่จังหวัดพิจิตรอีก ตอนน้มีนายกประกาศิสร็ก็เสียชีวิตไปอีกก็เลยต้องวันที่หนึ่งวันที่สองคงจะต้องเป็นเป็นเจ้าภาพวันที่สามบินทบาทเสร็จก็กลับก็วันที่สองก็ต้องเอ้วันนั้นสัตหะไปกี่วันวะไม่เกินเจ็ดได้กี่วันแหละครบวันไหนเนี่ย โอ้โหมึงไม่สนใจเลยกูก็ลืมเหมือนกันวันไหนถ้าติมมึงเป็นคนอนุญาตให้กูไปอ่ะฮะนั่นแน่ปากหวานมากสิบเจ็ดหลวงพ่อไปส้นตีนเนะ่ะสิบเจ็ดฮะกูไปยี่สิบเจ็ดเดี่ยกูสัตหาวันที่ยี่ิบเจ็ดใช่ะอ่าย7สิบเจ็ดตอนเย็นใช่ไอ่าแล้ววันนี้วันที่เท่าไหร่ ได้กี่วันแล้วแล้วแล้วครบเจ็ดวันวันที่เท่าไรมึงลองนับให้คณได้ยีิบเจ็ดยี่สิบแปดนะมึงนับไปซิอวันที่สองไม่ได้แล้วเดี๋ยวจะไม่ทันวันที่อ่วันที่วันที่สองตอนเช้าจะออกเดินทางตอนเช้า เขาไปถึงนน์ตอนเย็นจะได้ไปเป็นเส้อผ้าสวดงานศพเขาหนึ่งคืนแล้ววันที่สมบิณธาบาตเสร็จก็จะได้กลับเลยเขาเผาวันที่หก็จะอ้างว่าอยู่ในพรรษามาหลายวันไม่ได้เดี๋ยวพระหนีศึกหมด เ, เพราะช่วงนี้มีแต่พระปราสาชีพระราชวังทางนั้นก็บอกกับเขาอย่างนั้นก็จะบอกกโยมเขาตรงๆว่าพระผมมาเป็นปราสาท แม่จีเนี่ยเป็นพระราชวัง เ, เขาคงงงนะแล้วกูเป็นอะไรฮะจะต้องกลับนะกับก็วันที่หนึ่งเนาะหรือวันที่สองดีว่าสัตหะอาเช้าวันที่สองฉันเช้าแล้วก็สัตหะดีมะไปถึงบ้านเราก็บ้านหลวงพ่อก็ประมาณสักกี่โมงอะ ถอกตะเช้าก็ไปถึงประมาณทักสามสี่โมงเย็นก็ไปงานศพสักคืนหนึ่งก็เอนโทรบอกเพื่อนๆหรือโทรบอกใครก็ได้บอกว่าให้เอาหลีดหลวงพ่อไปด้วยเอาหลีดเอาหลีดหลวงพ่อไปให้งานศพเขาด้วยอ่าโทรบอกใครก็ได้ไอตาก็ได้ อ่าแล้วเดี๋ยวกูไปจ่ายตังให้บอกว่าไม่ต้องกลัวเดี๋ยวกูจ่ายกูไม่ติดนี่มันหรอกอ่าฮ ะ, อะของเก่ายังไม่ได้จ่ายอ่าใหม่ฮ่ามันทวงกูว่ากูเป็นนี่อะไรมึงต้องว่าอะไรวันเนี้ยก็เดี๋ยววันที่สองนะวันที่สองออกแต่เช้าก็ วันที่สองออกแต่เช้านิดหนึ่งจะได้มีเวลาวันที่สองประมาณสักเจ็ดโมงแปดโมงนะถ้าบินถัดบาดกลับกี่โมงก็เดี๋ยวสัตหะบนโบสถ์เลยดีไหมวันที่สองเนาะพอทําวัดสดบนตอนเชา้าก็สัตหะดีไหมดีปะ่ะคิดได้ไอเทียไม่ช่วยกูคิดแนตะ่ต้องให้กูคิดทุกอย่างเลยพอกูบอกดีไหเห็นพ้อต้องกันเลยบอกดีครับ วันที่สองก็จะได้ลงบทก็ทำภาร ก, กิจเสร็จเรียบร้อยก็จะได้ไปส่วนวันที่สามบินธบัตตอนเช้าที่จังหวัดพิจิตรบินเสร็จ ก, ก็จะกลับมาถึงนี่ตอนค่ำๆโหไม่ได้หยุดเลยนะพวกเองยังสบายกว่าลุงพ่อตั้งเยอะ พ่อก็ไปทั้งกลางวันกลางคืนไปนนท์ไปนี่ทำนนท์ทำนี่อ้าวโล ม, มึงสบายว่าง่ายยอมแม่ส่งตังมาให้หน่อยนะกูสิช้กูอย่างกับลูกหลวงพ่ออยู่ไหนอยู่ไม่อยู่มันโกวนวันพระเมชีบอกว่าหลวงพ่อพร้อมมูลอะไอยู่ตรงนั้นโคนต้นไม้ตรงนี้บอกหมดพระเจ้าบอกหมด ใครบอกกูขอให้มึงเป็นเจ้าวาดอย่างกูมั่งใครดูนะวันหลังกูจะถามยมว่าใครองค์ไหนเดินไปชี้เลยและองค์นั้นต้องเป็นเจ้าวาดแทนกูหนึ่งอาทิตย์กูจะนั่งอยู่เป็นเลขาอยู่ทางหลังเนี่ยถ้าไม่เอานะกูจะขับออกจากวัดมีอยู่ปีหนึ่งพระนั่งร้องไห้ยมมาหาพวกเจ้าลุงพี่มานั่งทาไมนี่ลุงปอยผมเป็นเจ้าวาดครับ นั่งอยู่ตรงเนี้ยเอา้าหลวงพอ่อทำไมไปนั่งข้างหลังบอกกูเป็นลูกวัดวันนี้อย่ามายุ่งกับกูไอเนี้ยมันเป็นเจ้าวาดเาพราะมันรู้ดีไงกูเลยให้แม่งเป็นเจ้าวาดนั่งร้องไห้ฝึดฝุดฝุดยมกราบไปเลยนี่คือเจ้าวาดองค์ใหม่โอ๊ยจับไม่กราบลอกหลวงพอ่อเสียเลยเสียพระตั้งแต่วันนั้นนะ่ะก <c oughs> ูก็ขาชี้ก็เหมือนกัน ชี้ดีนักบอกดีนักอ่กูจะให้มึงเป็นเจ้าวาดชี้ก็เป็นได้เจ้าวาดอ่ะพราะกู อ, อนุมัติเนี่ะอ่แล้วกูก็จะนั่งเฝ้ามึงอยู่นี่แหล ะ, ะมึงไม่ทําหน้าที่แทนกูมึงโดนแน่ตบไม่ให้คว่าเลยเน้นก็นมืกันบอกลูกพ่อกําลังคุมรถไถเลี้ยงควายอยู่ครับเน้นก็นบอกเน้นก็รักษาการได้หนึ่งวัน เป็นเจ้าวาด น, นะแล้วพระที่ขาดจำวัดบ่อยๆเกียมปลปุกเศกหน้าสามมหาราชได้เลยนะทำไม่คลิกตัวขนาดเนี่ยให้นั่งจุดโคพิควันท่วมแล้วเศกสามแยกหน้าวัดนะแหละแล้วเขียนว่าผมขาดทำวัดเ พ, พราะกิจติดภารกิจนั่งปุกเศกไอ้คิกครับนะเดี๋ยวกขจะเศกหน้าสามมหาราช มีใครขาดบ้างมีใครหลวงพี่จากกีออนหนึ่งกี่วันแล้วอ่ากุติมึงอยู่ตรงไหนกุติมึงอยู่ตรงไหนฮะวันหลังพากูไปหน่อยนะจะได้รู้ช่องเข้าออกไนงะเราจะได้ไปตามกันทุกะนะกูมีไฟฟ้าไอ้นี่ไอ้ไฟสายไฟฟ้าลูก กูช็อตไอ้เนนก้านี่ล้มทั้งยืนเลยขนาดนอนอยู่ดึงมายังติดไฟฟ้าขึ้นมาเลยเออไอ้วัดมันข้าใจหาคุณนึกมันมันวนต่ำๆกูก็จิ้มตูดไอ้เนนก้าเลยชักตาตั้งโอ้โหตกใจมากคุณนึกว่ามันตายฮะมันแรงอะไอ้เคยเห็นไหมไฟไฟ้าไอ้ฟสายที่มีไฟฟ้ามันทั้งหมดมันสองร้อยโวล์นะอ่ มึงลองนึกละกันไม่ตื่นก็ตายถาวรช่วยบอกหน่อยเถอะว่าโทรเลยฮัลโหลครับหลวงพ่อมันไม่ตื่นครับเลาเวนต้องไปตามกูด้วยต้องมีก ร, รมด้วยกันไม่ตื่นมึงเกมตูดไม่ได้เลยตอนเช้าเป็นว ง, งนี้แหล ะ, ะไฟฟ้าชอ็อตอ่ามชีก็ไปช้าไม่ตื่นไม่ชีก็ต้องโดนตูดเป็นวงเหมือนกันต้องชอ็อตนะต้องตื่น ลองทําให้มันตื่นทุกวันมันต้องตื่นใช่ไหมกตื่นกันทุกวันมึงนอนอยู่ทุกวันมีใครอีกที่ขาดทำวัด ม, ม, มีไหยกมือดิลองยกมือดิดูหน้าหน่อยโอ้โหไอ้อ้วนมึงเนียโอ้โหเจ้าเก่าทั้งนั้นเลยอ๋อไหนลองยกมือดิหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าอวยทหารด้วยหก สู้หลวงตาไม่ได้หลวงตาขึ้นทุกวันไหมขึ้นไปทำวัดทุกวันไหมอ่าหูไม่ดีอ่าขนาดกูหูไม่ดีไอสัตว์มันไม่ทำเองว่างันโอ้หลวงตาว่างั้นนะฮะผมอ่ะหูไม่ค่อยดีไอสัตว์มันไม่ทำเองว่างันนะอ่ะอ๋อหูไม่ดีขนาดหูไม่ดียังขึ้นทาวัดนะหลวงตาหลวงตาอยู่เท่าไร ฟังดิมึงมึงอ๋อน้ำหนักเจ็ดสิบดีมากดีมากอ่าไอ้พร ะ, ะที่ไปทำวัดมึงอายุเท่าไหร่ยีิบเจ็ดกับน้ำหนักเจ็ดสิบโอ้คนเจ็ดสิบ้องทำวัดยี่สิบเจ็ดไม่ทำวัดหน้าละหน้าขำเนอะพรุ่งนี้จะทำไหมเนี่ย อพ่งนี้ทํานะไอ้วันทําปลหาไอ้วันมานผมขังมากพอพอทําอะไรผมทาตามทุกอย่างสัตว์กูนอนมึงนอนตามกูเลยเอกูรู้ด้วยกูจาเสียงเพ่กมึงได้กูนั่งพิงข้างฝา้านั่งนั่งวันนี้ขาดไปสององค์เมื่อเช้าขาดสององค์เหรอ อ่ามันขาดเสียงไปสองค น, นจาเสียงพวกมึงได้หมดนะเช้าไอ้นั่นมันก็ตื่นแล้วก็นอนต่ออีกเนี่ยไอ้นี่นนะอเองอ่อเช้าใครขาดเองนะมันพิกลุกขึ้นมาแล้วนอนต่ออีกอ่าอีวอประมาณทีห้าตื่นแล้วก็ลวเลยนอนพักรอเวลาอีกหน่อย เลยยาวเลยไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรลูกพ่ออนุโลมให้เดี๋ยวไปฉายมาไปฉายอะเดี๋ยวมาถ้ามีแสงแวบๆบแบบมามึงต้องผาวาเลยนะจิ้มตูดเลยกไก่หัวใจแต่ว่าเดินขาลากแหละขึ้นโบเดขาเค็ดไปแหละเอาไปฉายจี้ตูดแม่งเลยถามลุงตาว่าอายุเท่าไรบอกน้ำหนักเจ็ดสิบกว่านิดหนึ่งวัน ถามอายุตอบน้ำหนักเออก็ออยังอุตส่าห์ไปทำวันนะฮะถ้าไม่โดนรถชนนะผมคงจะขังมากกว่านี้ว่างันนนะฮะขาใช่ไหมขาไม่ดีรถมันชนเหรอรถมันชนชนสองขาเลยเลยหูไม่ดี อัดเข้ามาในนี้โหเลยเสียเลยรถชนสามทีเลยสิคงหักสามซี่หูเลยไม่ดีสองหูเลยโหตีกนนับถนนถนนปูนแตกหมดเลยโอ้ไม่ธรรมดาลุงตาไว้เฮ้ยพ น, นี้ออกเหรียญได้ดีกว่าวะช่วยวัดช่วยวานหน่อยวะอ๋อไปทำวัดนะ ตรงนี้ทำวันนะอย่าลืมนะอ่ะเดี๋ยวกวดน้า